หกจดหนชีวิตต้องอดทนวงเล็บเปิด22มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดจะอยู่ในโลกมันก็ต้องอดทนตั้งแต่เด็กมาเราก็ต้องทนมาเยอะแล้วนะยังต้องทนอยู่ในท้องตั้งหลายเดือนก็ทนมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละออกมาแล้วก็ต้องทนนะกว่าจะเรียนหนังสือจบกว่าจะทํางานมีครอบครัวกว่าจะตั้งตัวได้ต้องอดทนมากเลย เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทนเอาเรียนธรรมะก็ต้องอดทนนะในโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์คนในโลกต้องทนความทุกข์เขาเรียกทนทุกข์จะเรียนธรรมะก็ต้องทนเหมือนกันแต่ทนเพื่อจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ทนทุกข์นะทนรู้ทุกข์ไปเราไม่ได้ทนนอนแช่อยู่กับความทุกข์บางคนมีความทุกข์มากอยากจะฆ่าตัวตายอย่านึกนะว่าฆ่าตัวตายแล้วจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกเคยเห็นคนฆ่าตัวตายทุกข์นานกว่าเก่าอีก เกิดเป็นคนนะเวลามันมีปัญหาชีวิตที่ร้ายแรงนะอย่างมากปีสองปีที่รุนแรงเดี๋ยวก็ผ่านไปเช่นอกหักรักสลายอย่างนี้นะกลุ้มใจอยู่สักปีพอหลายๆปีก็ผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์อมตะฉะนั้นอดทนนะอย่าไปฆ่าตัวตายบางคนกลุ้มใจแล้วฆ่าตัวตายยิ่งทุกนานกว่าเก่าเป็นมนุษย์นะอย่างมากมันทุกปีสองปีมันก็หายแล้วไปฆ่าตัวตายเป็นผีเนี่ยโอ้ยทุกนานนะ อายุมันยืน